กือมาดูโครงสร้างจิตใจนะจิตใจก็มีโครงสร้างด้วยนะโครงสร้างดั้งเดิมมาเนี่ยมันก็มีมาทุกคนเลยนะทุกคนมีมีโครงสร้างของตัวเองถูก อ, ออกแบบมา <c oughs> ด้วยกรรมดูดิซิ <c oughs> <c oughs> กรรมมันออกแบบเรียบร้อยเออมึงต้องไปเป็นอย่างนี้ <c oughs> เออปึ๊บ <c oughs> มาแล้วห <c oughs> น้าตาผิวพรรณ ความรู้สึกไม่คิดมาเลยนะร่างกายได้มาแล้วก็คุณสมบัติของจิตใจได้มาเรียบร้อยกรรมในอดีต่ะแก้ไขไม่ได้เพื่อไม่จาเป็นต้องไปรู้เกิดเคยชาติก่อนเป็นอะไรเป็นอะไรโหไม่รู้เกี่ยสงขายจ่าไม่รู้จะไปรู้ไปทำไมรู้เลยว่ากรรมดีไม่ดีมีผลทำให้เรามาเกิดเป็นคน แต่ที่นี้กรรมในปัจจุบันนี้กรรมในปัจจุบันกรรมที่ดีที่สิจะหาทางออกี่ฮะวันนี้ก็มีมีคนถามนะที่มากับตลาดกระซวงเนะี่ยอาท่บดีแต่ที่บดีกรมอะไรอยู่าง น, นี้ยน่ะเกี่ยวกับค้าภายในอะไรนี่ละ่ะเขาจะถามเอาเดี๋ยวนี้ ตลาดกระทรวงเองมั่งดามมาเดี๋ยวนี้สังคมก็โมีปัญหาอะไรเยอะแยะแล้ว ก, กระทบเข้ามาถึงข้าราชการนี่ทำให้เดือดร้อนมีปัญหาโดยที่บางทีก็ต้องเกิดปัญหาแล้ว ก, ก็ทำให้ประชาชนความเดือดร้อนก็ไปถึงประชาชน ไม่รู้จะทํายังไงดีถามปานาเราบอกอ้เรื่องของโลกนี่แหละธรรมชาติของโลกเป็นอย่างนี้เป็นวิวัฒนาการของโลกเมื่อพอมีปัญหามาก็แก้ปัญหาไปแบบโลกมันก็มีปัญหาแบบโลกโลกแล้วก็จะแก้ปัญหาไปแบบโลกโลกแล้วปัญหามันก็กจะเกิดขึ้นเรื่อยไป จมไปถึงยุคหนึ่งเสื่อมถึงที่สุดแล้วฆ่ากันเองทำลายกันคนดีหนีเข้าป่าเลยเข้าไปอยู่บนเขาพวกมีศีลเนี่ยไปบำเพ็ญสมณธรรมในป่าจนพวกไม่ดีเนี่ยตายหมดแล้วก็ออกมาสร้างโลกกันใหม่ศีลนะมีธรรมขึ้นมาแล้วเนี คนก็เริ่มมีอายุยืนยาวอายุยืนยาวหลายหมื่นปีแสดงว่าค่อยอายุก็ลดลงอกตศสนในจิตใจก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอายุก็สั้นลงไปตามอากุศสนเลยนะสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนไปตามอากตุสนในจิตแล้วก็มีปัญหาวุ่นวายกันมาอีกละ แลาวก็เสื่อมไปถึงที่สุดคนก็คล้ายกับสัตว์นี่เป็นวิวัฒนาการถ้าเรารู้แล้วเราก็หาทางออกบอกเขานะเมื่อรู้แล้วหาทางออกถ้าใครมีสติปัญญา ต, ต้องหาทางออกหาทางออกจากทุกแล้วก็ประหลัดกระทรวงเขาถามดีนะบอกว่าเราพูดเรื่งจิตว่ายความคิดเนี่ย มันไม่ตัวเราล็อกคลายๆอธิบายอย่างนี้แหละอย่าไปทำตามมันก็แล้วกันพอเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าทีนี้ความคิดเนี่ยเราก็อดไม่ได้จะทาตามมันก็ว่าไม่รู้จะทำยังไงแพ้มันทำตามมันเราบอกว่าในการที่แพ้มันเนี่ยถูกแล้วแต่ว่าคราวนี้เราแพ้แต่ว่าเรามีสติอยู่ เราดูอยู่เนี่ยการที่มีสติสังเกตการอยู่เนี้ยดูมันเหยื่อเนี้ยเหมือนกับในใจอ่ะมันพยายามแล้วที่จะเอาชนะมั น, นก็อันนี้ก็ถูกแล้วมันเป็นมรรคอย่างหนึ่งจะให้เราเอาชนะมันเลยอ่ะกำลังเราอย่างไม่พ อ, อยอมรับยอมแพ้ไปก่อนแต่ว่าแพ้เพื่อจะชนะนะ เพราะนั้นถ้ามันแพ้แบบมีสติสังเกตการอย่ยงนี้แพ้ก็ยอมไปก่อนแล้วมันจะหาทางเอาชนะจนได้โอ้โล่งเลยสว่า โ, โล่งเลยโอ้โอกไม่ธรรมดานะเดินทางจากกรุงเทพตั้งใจมาโดยเฉพาะเลยตรงมาหาเราเราก็งงๆกันนะ เลืจากเราได้ยังไงมายังไงบอกอ่านหนังสือนะห<ม>นังสือพันทุกข์ไปจนองเออต้องเห็นคุณค่าของหนังสือผู้ที่ทําผู้ที่ร่วมกันทําำหรับวันนี้จนสําเร็จมา ก, ก็ได้ไประโยชน์เห็นชัดเจนเป็นลูก ป, ประธรรมอุษา ด, ดําด้นมาจนถึงผูงไม้ห้าวได้อ่านหนังสือ กเกษียณรอหาโอกาสมาเป็นกเกษียณแล้วก็เลยมีจังหวะต้องมาให้ได้จังหวะตั้งใจมานัะแล้วถามปัญหาก็มีผู้ติดตามมาร่วมยี่สิบคนแล้วก็มีมีผู้ถามปัญหาวันนี้เกี่ยวกับเรื่องการสู้เวทนาวัฒน์สู้เวทนาเนี่ยถ้าหากว่ามันไม่ชนะ จะได้ประโยชน์ไหมทำนองนั้นนะจะมีคนพูดออต้องสู้แล้วต้องให้ชนะถ้าไม่ชนะเนี่ยจะได้ประโยชน์ไหมมันก็ต้องแบบนี้ไปก่อนจะให้ชนะเลยมันก็ไม่ได้ไปสู้แล้วมันสะสมสะสมความอดทนสะสมกำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญามันต้องได้อยู่แล้วได้ปฏิบัติได้ต่อสู้ อดทนสะสมกำลังเนี่ยรอเวลาที่จะชนะมันแลวการปฏิบัติธรรมนี่มันไม่ใช่ว่าวันเดียวสองวันมันต้องปฏิบัติเรื่อยไปค่อยๆรู้ไปตามลำดับรู้ไปําลลำดับเพิ่มคูณกำลังไปตามลำดับก็รอเวลา มันถึงเวลาเมื่อไหร่คําว่าชนะในทีน่นี้มันก็ไม่ใช่ว่า ม, มันชนะแล้วมันจะไม่มาเจ็บอีกนะชนะแล้วเนี่ยบางทีมันก็กลับไปอีกคือเวทนามันแรงขึ้นมันก็ไปยุตีแต่ทีนี้เราก็เขาเรื่อยอะคำว่าใครที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็คือสู้อดทนมันจะได้สอนตัวเองเรื่อยไป มันมีกําลังขึ้นมามันปล่อยได้แล้วเขาเห็นเข้าใจเลยมันจะมีรู้สึกว่าโอ้รสชาตินี้เปลี่ยนไปเลยนะถ้าคนที่เห็นเวทนาแล้วพอจิตมันมันกับมันถอยออกมาจากเวทนาหรือหดตัวเข้ามาหาจิตเนี่ยเรียกว่าวางเวทนาเนีลยถ้ามันมีกําลังพอเนี่ยตอนที่มันวางเนี่ยสามารถบรรลุมรรคผลได้ แต่ว่าต้องกําลังต้องพอเดยนนะถ้ากําลังไม่พอก็แสดงว่าค่อยๆวางไปก่อนรู้ทางเห็นทางแต่เพราะว่าธรรมชาติทั้งผิดเนี่ยมันจะปล่อยข้างนอกก่อนวางแล้วก็หดเข้ามาเนี่ ย, ยถ้ากําลังยังไม่พอเนี่ยมันก็ก็มันก็ได้ประโยชน์อะได้เห็นนะรู้เข้าใจ แต่ว่ากำลังไม่ถึงยังะหารพิเลยไม่ได้แต่ก็รู้สึกว่าจิตมันก็พัฒนาขึ้นมันก็ไปตามลำดับแต่้นที่เขากลับไปอ่ะนเล็กที่ใสแ่แว่นตาเขาสู้เวทนามาถึงวันแรกวันที่สองไงเขานั่งสามชั่วโมงเขาว่า สามชั่วโมง ม, มันบีบคั้นตามร่างกายลมหายใจกระตุกแรงขึ้นมาดัานดีเลยเขา่ะเขาก็งงๆนะเขาไม่เคยเป็นเขา่ะแต่เขาก็ดูเฉยๆนะดูอแล้วมันก็เบาลงไปเดูไปอีกไปอีก จากนั้นก็เบาลงไปบอกา่าดีแล้วดีแล้วเขาเขาเขาดูไปสองชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงนี่แหละแล้วก็บอกเขาบอกว่าเนี่ยจําไว้นะถ้ามันมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นครั้งต่อไปต้องเอาให้ผ่านอย่างนี้อย่าออกในขณะที่มันยังเป็นอยู่คือยังไงต้องให้มันผ่านตรงนี้เพราะมันเคยผ่านแล้ว ถ้าใครกำลังจิตมันพอมันถึงเนี่ยพอได้ผ่านเวทนาไปบ้างแล้วเนี่ยมันจะรู้ทางทงันทีเลยนะจิตใจอ่ะพวกอะไรที่จะมาแทรกมาแซงหายหมดอ่ะมาก็กลายเป็นหินรับสติปัญญาเลยพวกนี้จะได้ผลเร็วเพราะจิตใจมีกำลังแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องเป็นอย่างนี้หรอก เท่าที่เห็นมาไหมก็ว่าคนที่ได้ประโยชน์จากเรียนนาเนี่ยจิตมันก็มีกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเมื่อวานเนี้ยก็มาบอกว่าวันนี้เอา4ชั่วโมงเลยเว่าโอ้สบายเลยที่นี่คือมันมันเหมือนกับว่า ม, มันชนะมันบังแล้วอ่ะก็เลย ลาบเลียบเลยดูขันห้าไปได้เลยสมาธิแบบนี้สมาธิแบบนี้มันเห็นชัดรู้ว่าขันห้าไม่ใช่ของเราไปเรื่อยๆจิตมันก็แน่วแน่อยู่เนี่ย ม, มันมีสมาธิในตัวแล้วก็รู้แจ้งอยู่ในตัวเมตนาก็รู้อยู่แต่ไม่มีอาการหนักๆเหมือน ครั้งแรกเขาทีนี้เขาไปเห็นทางของเขารู้ว่าออก็ปรฏิบัตมานานแล้วนะแต่ว่าไม่เคยได้นั่งนานานวะ่ะเพราะอยู่กรุงเทพก็มีการมีงานหาโอกาสนั่งยาวๆไม่ได้พอมาที่นี่ก็มีโอกาสได้นั่งนานๆยาวๆมันก็ได้ประโยชน์ อันนี้สําหรับคนที่มีเวทนาสามารถเอาประโยชน์จากเวทนาได้แล้วเวทนาเนี่ยมันก็เห็นเห็นจัดจ่ายอยู่เห็นเฉพาะหน้าเลยนะเราเวทนาไม่ใช่ของเราเห็นเลยจิตมันเห็นอยู่อ่ะแล้วก็สู้กันเลยอะทำไมไม่ใช่ของเราจริงจิตต้องปล่อยได้สิถ้าจิตปล่อยไม่ได้จิตไปคุกเมื่อไหร่ก็ใช่ไหมว่าจิตจะยึด เ, เมื่อนั้น ยิบก็ต้องเอากันตีสอนมันอบรมมันอยู่งั้นนะมันจะสะสมกำลังสติสมาธิปัญญาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วคนที่เคยสู้จะรู้ว่ารสชาติที่มันปล่อยวางเวทนาได้มันจะมาดูกายเวทนาจิตธรรมในสติสติปัฏฐานสี่เนี่ยชัดเจนขึ้นเลยจะรู้เลยว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันมีหลายระดับ แรกๆว่าธรรมดาสติธรรมดาก่อนต่อไปสติประชามสี่ค่อยไปเรื่อยๆแต่พอมันเริ่มมีเวทนาขึ้นมามันได้สู้เพราะนั้นก็มันก็กำลังมันก็เพิ่ม่ะก็ชัดเจนขึ้นมาเสร็จแล้วก็พอพอพอพอธิบายฝังยงเก็ถามแล้วทายังไงอ่ะสู้เวทนา ได้สามารถเอาชนะมันได้บอกว่ามันต้องตายอยู่แล้วชีวิตเนี่ยร่างกายเนี่ยมันต้องตายอยู่แล้วเมื่อก่อนจะตายเมื่อมันจะตายอยู่แล้วก็เอามาเป็นเครื่องมือฝึกจิตใจเป็นหินรับสติปัญญาดีกว่าให้มันให้มันตาย ทิ้งไปเฉยกวอนมันจะตายเนี่ยเอามาเลยฝึกเลยไหนๆก็จะตายอยู่แล้วตายเป็นตายถ้าใจมันเด็ดขาดลงไปเนี่ยมันวางได้จริงเลยเรอการปล่อยวางวิทยานามนก็มีหลายระดับคือปล่อยวางเบาๆก่อนเห็นเวิทนาและสติจุดยิงไปคุกก็ดูไฟดูไฟแล้วก็ สติมีกําลังสมาธิมีกําลังปัญญามีกําลังก็เหมือนจิตในหดตัวเข้ามาอยู่กับจิตมันก็วางปุ๊บการวางของมันก็คือว่ามันหดมาอยู่กับจิตหรืออย่างอื่นก็จะเหมือนกันไม่ว่าเราจะดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูฟันดูกระดูกดูอะไรก็ดมขณะที่ดูอยู่เนี่ยสติมันก็จะมีกําลังเพิ่มขึ้น สามาที่ปัญญามีกําลังเพิ่มขึ้นมันมาเป็นกําลังของจิตพอมีกําลังพอปุ๊บมันเหมือนกับมันปั๊บเข้ามาอยู่กับจิตมาดูจิตพอมาดูจิตเนี่ยไอ้ตัวจิตที่มันไปดูไอ้ข้างนอกอยู่นั่นน่ะเหมือนกับมันมาดูตัวเองปั๊บเข้ามาดูจิตเนี่ยนี่มันนี่นีคือพัฒนาการของจิตมันเริ่มหัดปล่อยหัดวางละหัดวางส่วนห ย, ยาบๆแล้ว พอมนอยู่กับจิตเนี่ยทีนี้มันก็จะเริ่มดูได้ชัดขึ้นเพราะว่าจิตไม่ได้ไปคุกแล้วเนี่ยคราวนี้มันก็เหมือนกับยืนอยู่เฉยๆเหมือนคนยืนมองดูใครผ่านไปผ่านมาอย่างนั้นแหละก็เห็นหมดอ่ะอันนั้นเกิดขึ้นอันนี้ตั้งอยู่อันนี้ดับไปจิตก็นิ่งด้วยแนวแน่ด้วยอันนี้มันก็จะต้องมีกำลังด้วยไม่งั้นมันทรงตัวอยู่ไม่ได้นะ บางบางทีมันก็ออกมานิดนึงสักเดียวก็โอ้โหเบาสบายกลับไปมาอีกนี่คือกำลังมันมันอ่อนอยู่มันก็ไปเร็วขึ้นไปเร็วอยู่ต่อมากําลังมันมากขึ้นเนี่ยมันก็ตั้งมั่นได้นานขึ้นนะที่นี่นี่แหละคือคำว่าตั้งมั่นเมื่อจิตมันออกมาเป็นอิสระแล้วก็ดูรอบอยู่ได้รอบเลยจิตก็นิ่งเลยนะอ่ อย่างนี้เป็นสัมมาสมาธิเพราะมันเห็นอยู่จิตนิ่งรู้รอบถ้าว่ากำลังมันยังอ่อนมันก็เหมือนกับมันมันมันมันมันส่งกระแสไปดูแต่ถ้ากำลังมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจิตมันหดตัวเข้ามาตัวเองได้มากขึ้นมันจะอยู่เฉยแล้วก็รับรู้กันเลยรู้หมด คือมันละเอียดเข้าไปนเนื่อยในจิตของแต่ละคน เ, นเดี๋ยวนะก็พัฒนาไปเรื่อยเรื่อยแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าสติของเราเนี่ยมันมันมันมีกำลังไหมถ้าสติยังไม่มีกำลังเนี่ยต้องทำสติซะก่อนเหมือนคนที่ปฏิบัติใหม่ๆ่ หรือเราออกไปเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานอะไรมากมายสติมันก็จะอ่อนลงไปสมาธิอ่อนลงไปตอนนี้เราก็จะต้องเริ่มด้วยกรรมฐานของเราเองเพื่อให้สติมีกาลังสะะักแบบสติมีกาลังวควบคุมจิตให้จิตเริ่มอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์นานขึ้นเป็นสมาธิ ถ้าใครที่ชำนาญแล้วก็มันก็เร็วนะถ้ามันยังไม่ชำนาญหนูบางทีก็เป็นชั่วโมงนุนละกว่าที่มันจะสงบเมื่อทีจิตก็วิ่งไปทางโน้นทางนี้ก็ต้องทำไปก่อนอย่างวันนี้เขาให้พาสอนอธิบายคนอื่นบ้างเพราะว่าลากระทรวงนี่ถามแล้วมีแต่กรรมฐาน ท, ที่ภาคปฏิบัติ ล้วนๆแต่ทีนี้ก็เผื่อลูกน้องบ้างก็ให้ทำสาติของตัวเองง่ายๆบอกวางจิตให้ถูกต้องพื้นฐานไม่มีความอยากมีพอใจสร้างเหตุพอใจปฏิบัติผลก็เกิดจากเหตุเพราะนั้นสร้างเหตุก็พอแล้วผลเป็นยังไงก็วาง มันก็หลักเดียวกันทำสบายๆและอธิบายให้ฟังด้วยว่าเออการที่คิดไปเนี่ยธรรมชาติจิตมัน้งคิดไปเป็นธรรมดาเรารู้ตัวก็ตั้งใหม่อันนี้สำหรับเบื้องต้นถ้าสติสน้กำลังขึ้นมาแล้วมันจะควบคุมจิตได้เองถ้าว่าจิตมันเผลอไปบ่อยๆก็แสดงว่าสติอ่อนแล้วก็มีเรื่อง <c oughs> ทำให้จิตเนี่ยวนเวียนอยู่กับความคิดนิยมแต่งเราล้างอารมณ์เก่าๆไม่หมดมันตกตะกอนอ่ะมันค้างคางอยู่ในจิตใจอะ่ะมันกลายมาเป็นสัญญาไม่มาเป็ทั้งการคอยปุุงลุมจิตปรุงแต่งจิตอยู่มันก็เลยมีพวกนี้ถ้าว่าเรา ธรรมดาพวกนี้มันก็ยังมากมันก็ต้องดูพวกนี้ไปก่อนเดี๋ยวที่นาอารมณ์าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับจิตพวกนี้จะเป็นเจตสิกเป็นพวกที่มาอาศัยจิตเกิอดอาศัยจิตดับที่เสยหรอกมันไม่ใช่เรามันก็ผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปนี่คือจิตยังกำลังยังไม่พอก็ต้องดูพวกนี้ไปก่อนนะ อย่างน้อยเราก็มีสติดูเห็นมันถ้าเห็นมันบ่อยขึ้นกำสติมีกำลังขึ้นมาพวกนี้ก็หายไปดับไปมันก็ม่อยู่กับจิตเนี่ยพอจิตมันเป็นสมาธิขึ้นมาตั้งมันขึ้นมาแล้วมันก็ทรงตัวอยู่ได้ตอนนี้มันก็จะมาที่เดียวกันนะคือมาจะเป็นสติปัฏฐานสีมาดูมีสติสัมปชัญญะขึ้นมา แล้วถ้าอาศัยเหตุสร้างเหตุถูกต้องก็คือความเป็นอยู่มีเป้าหมายว่าเราจะต้องเดินตามทางของพระพุทธเจ้าจะต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าอยู่เนี้ยยังไงยังไงมันก็ต้องดีขึ้นยังไงต้องเจริญขึ้นขอให้วางใจถูกนี่แหละสัมมาทิฏฐิในการปฏิบัติสำคัญ สมาธิขีดขั้นได้ยินได้ฟังฟังถูกต้องวางใจถูกต้องการปฏิบัติก็ง่ายขึ้นเพราะเข้าใจแล้วส่วนผลของการปฏิบัติมันก็ขึ้นอยู่กับความเพียรสำหรับชาติปัจจุบันนี้แล้วก็ปัญญาปัญญาในที่นี้คือมันมันมันเห็นว่ามัน ไม่ใช่ของเหลาเกิดแล้วก็ดับปัญญาเห็นพระไตรลักษณ์ยอมรับในพระไตรลักษณ์ปล่อยวางได้เร็วอารมณ์ต่างๆก็ดับเร็วขึ้นส่วนบุญบา ร, รมีเนี่ยงั่นแหละคือทุกคนเคยทำมาแล้วต้องยอมรับอย่างนี้ไม่เคยทำมาไม่สนใจอยากปฏิบัติอยากออกจากทุกข์เพราะนั้นคนที่มาปฏิบัติ ต้องเคยทํามาแล้วเคยเปฏิบัติมาแล้วออมีบุญมีบรารมีแล้วไม่ต้องสงสัยในเรื่องบรารมีอีกต่อไปส่วนช้าหรือเร็วก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของให้ได้ปฏิบัติเพระนั้นเป็นเรื่องของผลเรื่องของสภาวธรรมเราก็วางใจจะพยายามปฏิบัติเรื่อยไปเหมือนประราดกรทรวงที่บอกว่าเออแพ้บ้างชนะบ้างก็ว่า ม, มันเป็นธรรมดาของการปฏิบัติมันต้องเป็นอย่างนี้ผู้ทชนก็ต้องแพ้บาพ้างชนะบ้างอาจจะแพ้มากหน่อยแพ้หยาบหยาบโสดาบันก็ยังแพ้บาพ้างชนะบ้างในส่วนที่ยังรับไม่ได้กิทาคามีนาคามีียังแพ้บ้ า, บางชนะบ้ า, บางเดไปในส่วนรายละเอียดที่ตัวเองยังติดยังคล่องยังละไม่ได้ เพราะละหันก็ยังต้องแก้ไขนิสัยบางอย่างที่รู้สึกว่าเออมันมันไม่ค่อยมีประโยชน์แต่อัธยาศัยดั้งเดิมมันมันยังพอใจที่จะทำอยู่แต่ไม่ใช่ว่าจะไปละกิเลสอะไรแต่ว่า มันน่าจะดีกว่านี้อย่างภาษาลีบุตรเนี่ยในในในในพามธรรมะภาษาลีบุตรท่ทานมีปัญญามากไปบินทบาทบางทีเห็นอาหารท่านก็นึกแค่นึกว่าอยากให้เขาใส่มากๆบางอย่างท่านต้องรีบกวามับเลยว่า ขอให้เขาใส่น้อยๆทวนนนี่นี่คือแก้แก้ไอ้ไอ้จิตของตัวเองเนีย่ยพูดถึงภาษาลีบุตรก็แสดงว่าจิตมันเห็วมากเลยอันนี้เคยเห็นในหนังสือแต่ไม่ได้เห็นในพระไตรปิฎกแต่ว่าไปจำมาว่าเอ๊ะว่าขนาดภาษาลีบุตรเนี่ยยังต้องทวนกับความรู้สึกของตัวเอง ยังต้องแก้ไขพัฒนามให้จิตพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเพราะนั้นเราเนี่ยถ้ายังมีอะไรที่มันสมควรจะแก้ไขอะ่ะมันก็เป็นธรรมดาขออย่างเดียวว่าเราเราจะพยายามแก้ไขมีถ้าวางใจแค่นี้นะปฏิบัติก็สบาย เพราะไม่ใช่ว่าเราจะต้องชนะไปทุกอย่างแท้แต่แพ้อย่างมีเชิงอะ่ะแพ้แบบมีการสังเกตการว่าเออมีๆๆเรารู้แล้วรู้แล้วแต่ว่าเรายัางสู้ไม่ได้ยังหักห้ามใจไม่ได้วันใดวันหนึ่งเราจะอาชนะมันให้ได้มีสติมันทางานปัญญามันก็เริ่มแล้ว หาช่องทางและหาโอกาสล่ะต้องเอาชนะมันถ้าอย่างนี้เ่ยมันต้องก้าวหน้าจนได้ล่ะเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราคนเดียวอ่ะมันชอบแพ้บ่อยๆ ก, ก็ต้องหาหาช่องทางที่เอาชนะมันงทีก็ต้องไปหาการเมิตรที่สามารถ กับตุ้นให้จิตของเรามีกําลังหรือบางทีก็ส่ออาศัยสัจจะเพื่ออธิษฐานจิตนะสู้กันเพราบางอย่างเนี่ยดู ง, ง่ายๆดูเล็กน้อยแต่โอ้โหละยากที่สุดเลยนะบางเรื่องนี่สังเกตดูตัวเองเนะบางทีเล็กๆน้อย ๆ, ๆ, ๆเนี่ยผัดไปผัดมาอยู่นั่นเป็นเดือนเป็นปีต่องได้อธิษฐาน อธิษฐานสู้เลยพอรู้จักมันแล้วมันหมดความหมายมันหมดความหมายทำยังไงกับมันก็ได้วันนี้ก็จะพูดแค่นี้แลนะนียให้ปฏิบัติกันไปเพราะว่าได้ยินได้ฟังมามากแล้ว น้อยก็เราก็ได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเดินตามทางของพระพุทธเจ้านี่ก็ประเสริฐที่สุดนั้นแลหละคือเราไม่รู้สึกว่าอย่างอื่นมันจะมีคุณค่าประเสริฐเท่ากับการได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทอนเป็นทางออกทางออกทางจิตใจออกจากทุกข์ออกจากปัญหาโดยไม่ต้องหนีไปแต่อาศัยจิตที่เข้าไปรู้ พอเข้าไปรู้แล้วจิตมันวางได้แล้วหรือมันค่อยๆวางไปมันก็ค่อยรู้เรื่องรู้ราวขึ้นมาแล้วเมื่อค่อยดีขึ้นแล้วจิตนี่แต่ถ้าเราไม่รู้โอ้โหอะไรเกิดขึ้นในโลกอะไรเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเรามันก็มากระทบจิตเราหมดอ่ะจิตของเรามันก็ไปยืดไปติดไปคล้องมันก็มาเป็นปัญหาของเราหมดอะ ใจของเราก็อ่อนแออ่อนล้าลงไปความทุกข์ก็กุ้มลุมจิตใจอะ่ะเนี่ยที่ความทุกข์ที่มันเกิดได้เป็นเพราความอ่อนแอภายในจิตเราถ้าจิตมันเข้มแข็งเนี่ยอะไรเกิดก็เกิดไปสิมันเป็นธรรมชาติของโลกเป็นธรรมดาของโลกอย่างที่คนเขาถามอะ่ะเดี๋ยวนี้ปัญหามันเยอะปัญหาของโลกก็กระทบ ผิดขาราชการหมายถึงพวกเข้ามานั่นแหละแล้วก็โอ้ยไปเดือดร้อนประชาชนโดยที่ไม่ได้ไปก่อขึ้นเองทำขึ้นเองเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยต่อเ น, นื่งองสืบต่อกันมาหีบหนีไม่ได้ชนี้นั่นแหละแตถามความเห็นของเราแล้วก็บอกเลยอ่ะถ้าเรายอมรับถ้ามีชีวิตอยู่มันก็ต้องมีปัญหาพวกเหล่านี้แหละ ความเป็นของคู่โลก็นมีวัฒนาการของโลกด้วยเมืจอเจริญแล้วค่อยเสือเส่อมลงเสื่อมลงยุคเจริญอายุคนก็ยืนยาวขออากุศลมันครอบงำจิตกิเลสมันหนาแน่นขึ้นมันก็ปัญหาก็เพิ่มขึ้นอายุก็สั้นลงเรื่อยเรื่อยเรื่อย มาถึงยุคสมัยนี้กันเหลืออายุฉเฉลี่ยเจ็ดสิห้าปีแล้วแต่ก่อนร้อยคนอายุร้อยปีจะมากอีกเดียวนี้อายุร้อยปีน้อยแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็เยอะสารพิษก็เยอะทีนี้อาหารก็ต้องระวังตีก็เข้าใจคำสอนของมุติจาแล้วก็วางใจ ถกต้องแล้วก็หาทางออกถ้าไม่หาทางออกก็อีกแหละใจมันก็ไม่เข้มแข็งอะมันก็อ่อนแอเพราะเราไม่สร้างเหตุให้มันเข้มแข็งขึ้นทุกข์มันก็มากเวลาเราทําอะไรเราก็ต้องการความสุข แ, แต่ไม่มีเหตุปัจจัยที่ทำให้ตัวเองมีความสุขไม่หาทางออกจากทุกข์ ก็เลยทุกก็เลยกุ้มล yeah. ุมก็สุขยากทุกง oh, ่ายต้องซักสถิติเยอนะเบิ้งเอามาเบิ้งเอาชิมาเอามาเบิงมันไปจผู้ดูผู้ดูเราต้องเป็นผู้ดูเท่านั้นอาสตินี้นะเดี๋ยวจะเลิกละไจะเลิกละ ตั้งสติดีๆดูดให้รู้ให้ชัดว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างีนเว่าคิดเนี่ยออกมาดูแลเป็นผู้ดูละสรุปแล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างเตรียมตัวนะสุดท้าแล้วนะดูให้ชัดเลยตั้งสติดีๆแล้วก็ดู ร่างกายเป็นยังไงอันนี้คือเอาจิตไปดูร่างกายละเพราะจิตเป็นผู้รู้มีคือดูกายมีสติแล้วก็ควบคุมจิตให้สำรวจตรวจสอบดูร่างกายและก็ดูซิมีเวทานาชนิดไหนเกิดขึ้นบ้างตรงไหนเป็นยังไง ดูกายดูในมุมมองของเวทนาว่ามีความรู้สึกอะไรตรงไหนเนี่ยอันนี้เรียก ว, ว่าดูเวทนาละเวทนาทางกายตัวที่ไปดูก็คือตัวจิตเพราะจิตเป็นธาตุรู้ไอ้กายมันดูกายไม่ได้เวทนามันดูเวทนาไม่ได้ตัวที่รู้ว่ามีเวทนาก็คือตัวจิตแต่ตอนแรกมันก็จะไปดูเวทนาก่อนรู้ว่ามีเวทนารู้มีอาการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ เพราะเรายังไม่สามารถเห็นตัวรู้ตัวนี้แต่บางคนเห็นได้มีตัวรู้ที่ต่างหากที่ดูอยู่บางคนก็ดูไปก่อนว่าเออมีเวทนาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้บางคนก็รู้ด้วยแล้วก็รู้ตัวรู้นี้ด้วยต่อไปก็ยังรู้ว่ามีผู้ที่มารู้ ว่ามีทั้งผู้รู้แล้วก็มีทั้งสิ่งถูกรู้แล้วก็สำรวจดูจิตดูจิตในีน่้คือดูดูพวกที่มาปรุงแต่งจิตอ่ะโดยเฉพาะเรื่องราวที่มันค้างคาอยู่ในจิตที่จิตของเราเนี่ยมันชอบหยิบยกเอามาเป็นประเด็นทำให้ จิตของเราวนเวียนอยู่กับสังขารเหล่านี้ก็ดูให้ให้มีปัญญารู้ว่าไอสิ่งที่มันวนเวียนอยู่นี้มันก็เป็นสังขารชนิดหนึงเป็นแค่ความคิดแต่มันวนเวียนมันวนเวียนในที่นี้เพราะว่าปัญญาของเราเนี่ยมันยังเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงก็เลยไม่เห็นต้นเหตุของมัน ถ้าเข้าไปถึงต้นเหตุของมันมันก็จะเห็นว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นอ่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามอยู่ข้างนอกเรื่องคนนั้นคนนี้คนนั้นเขาก็อยู่ของเขาหรือว่าไปตามกรรมของเขาแต่บางทีมันก็มีการเกี่ยวข้องกันมีการกระทบกันเนี่ยอันนี้ก็เหตุปัจจัยที่มันมาเกี่ยวข้องกันแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นธรรมดา การมีชีวิตอยู่มันก็ต้องมีกระทบกันมีการเกี่ยวข้องกันนะแล้วก็ระบบของกรรมนะ ใ, นในธรรมชาติมันก็ต้องมาเจอกันนะแล้วก็มีพัดพลากจากกันอันนี้หนีไม่พ้นละ่ะมันก็จะมีเรื่องกระทบจิตแต่ทีนี้เมื่อมันกระทบจิตแล้วเนี่ยถ้าว่ากำลังสติสมาธิปัญญาของเราพอ มันก็กจะเริ่มแยกได้แยกออกมาแล้วก็สามารถปัญญานี่สามารถส่องลึกลงไปมันมันมันดูดูดูมันดูแค่อารมณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละแต่ว่าตัวปัญญาเนี่ยมันลึกซึ้งเข้าไปสามารถทะลุทะลวงเข้าใจชัดเจนถึงถึงเรื่องราวที่มันเกิดมาเป็นสังขารกุ้งลุงจิตเรา ที่มันเข้ามาอาศัยจิตเราได้อาศัยครอบงาจิตเราบนเวียนอยู่ในจิตของเราเนี่ยเพราะว่าปัญญาของเรามันเข้าไม่ถึงก็เลยส่องเข้าไปรู้ละเอียดไม่ได้พอรู้ละเอียดไม่ได้มันก็ละเหตุไม่ได้ปล่อยวางไม่เต็มจิตเนี่ยมันก็เลยวนเวียนยึดอารมณ์อยู่ยนั้นพอยึดบ่อยๆฟุ้งแรงอยู่บ่อยๆมันก็อ่อนแอลงไปจิตเรา ถ อ, อนแอลงไปอารมณ์ต่างๆก็คล่อมงามําจิตอ่ะมันก็คล่อมงามําจิตมันก็เลยมองไปทางไหนก็เหมือนมีอะไรติดค้างอยู่ในจิตอ่ะเพราะว่ากําลังจิตเนียหมว่ากําลังสติสมาธิปัญญามันอ่อนก็เหตุมันก็มาจากนั่นแหละศรัทธาความเพียรเนี่ยตรงนี้อ่อนมาก่อนแล้ว มันก็เลยมาทำให้สติสมาธิปัญญานี้อ่อนด้วยมันก็เลยเข้าไปไม่ถึงต้นต่อต้นเหตุของสิ่งที่มันทำให้เราเป็นทุกข์แต่ถ้ากาลังพอแค่ส่องดูเท่านั้นแหละมันสามารถควรไปถึงเหตุมันได้เข้าใจเป็นไปได้ว่าเออเรื่องนี้คือยังไงแล้ว พขไปถึงแล้วสมาธิมันพอมันก็เลยทําให้จิตเราแยกออกมาจากปัญหาได้พอเห็นมันแยกได้เท่านั้นแหละมันก็วางแต่ถ้ายังไม่เห็นตรงนี้อ่ะมันมันแยกไม่ออกมันก็เลยกุ้มลุมอยู่เรื่อยไปอาศัยว่าสติมันดีขึ้นบางทีมันก็รักษาจิตเอาไว้ได้อารมณ์ก็จางไปเดี๋ยวก็กลับมาใหม่เพราะว่ามันยังไม่ขาดไป มันยังไม่ได้ดับไปเรายังไม่เห็นว่าไอ้สังขารพวกนี้ก็เกิดดับมันยังไม่สามารถที่จะแจ้งชัดว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเหรอกไม่ใช่จิตเราแต่เป็นสิ่งที่อาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับเฉยๆเขาเรียกเจกตสิกพอไปเห็นตรงนี้ปับ๊บจิตมันจะวางได้วางได้อีกมันไม่ยึดอะไรเขายึดก็ มันมันยึดไม่ไม่ดับพอมันเห็นชัดแล้วเพราะนั้นถ้ามันยังมีอารมณ์วนเวียนอยู่อันนี้แสดงว่ากำลังปัญญาเราก็อ่อนกำลังปัญญาอ่อนก็มาจากกำลังสติอ่อนกำลังสมาธิอ่อนรู้อินทรีย์อ่อนมันคือปัญญาคือศรัทธาก็อ่อนวิริยะก็อ่อนด้วย เพราะนั้นเราก็ต้องมาเพียนให้มันต่อเนื่องเพียนให้มันมากขึ้นพอกำลังมันถึงมันก็จะส่องเข้าไปอีกดูกายดูเวทนาดูจิตแล้วมันเห็นมางไหมความรู้สึกว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราอันนี้ก็เรียกว่ามันเห็นธรรมรู้ธรรมแต่าบางคนจิตมีกำลังมากๆเกนะ มันวางหมดเลยแม้แต่ผู้รู้ก็เป็นธรรมชาติเนี่ยมีแสดงว่าการปฏิบัติมันมีความละเอียดไปเป็นขั้นเป็นตอนของมันการรู้จิตเนี่ยมันก็มีหลายระดับอ่ะบางทีดูอารมณ์ต่างๆอย่างเช่นเรื่องนี้แวบมาเราเห็นมันดับไปเดี๋ยวก็แวบมาอีกเนี่ยแวบไปแวบมา อันนี้คือดูทกเกตจิตอะดูพวกอาศัยจิตเปิดอาศัยจิตดับพอดูจิตอีกอย่างหนึ่งนี่มันเหมือนกับมันผ่านการวางกายวางเวทนาวางอะไรหมดแล้วเหลือแต่จิตแล้วเหมือนกับจิตดูจิตเลยทีนี้นจับจ้องจะจอคันนี้สมาธิจะต้องมาก กคุมจิตอย่างเดียวเลยจ่ออยู่ที่จิตเลยอะไรเคยขึ้นจิตมันไม่ไปสดลดมันมันสนใจแต่ตัวจิตเนี้ยคอยระแวดระวังอยู่นั่นนะจิตเคลื่อนที่ยังไงเคลื่อนไวยังไงรู้หมดแต่ที่ดูอยู่นั่นแหะ มันจะมีอาการที่คอยจดจ้องคอยสอดส่องคอยดูก็ดูว่า ด, ดูจิตเนดูไปดูไปดูไปแต่ทีนี้ไอ้ตัวที่เฝ้าดูอยู่เนี่ยนานเข้านานเข้ามันก็มาเห็นว่าอา้าไอ้ตัวนี้มันไปสนใจอย่างอื่นแล้วสมมต้นเหตุมันอยู่ที่ตรงเนี้ย เดีวก็อยากดูนั่นอยากดูอันนี้นี่นั่นก็อะไรนี่ก็อะไรเนี่ยมันมันทึ่งมันสงสัยมันอยากออกไปดูมันก็เลยเลิกจับจับได้ว่าแท้จริงมันไปจากผู้ดูนี้ผู้รู้อันนี้มันก็เริ่มสังเกตว่าดูจิตแต่มันก็มีอะไรเกิดขึ้นก็ดูไปด้วยแล้วมันก็ค่อยสังเกตไอ้ตัวรู้อันนี้ นี่คือเริเ่มจับผู้รู้ผู้ดูแล้วะอะไรสมควรดูก็ดูไปบางครั้งมันก็แอบมาดูตัวรู้ว่ามันมีเป็นปฏิิยาอะไรเกิดขึ้ น, นาตาเป็นยังไงมันอยู่ยังไงตอนน่อมามันก็รู้ว่าไอ้ไอ้เนี่ยเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็คือผู้รู้อีกนมันเริ่มไอ้ตัวรู้เนี่ยมัน มันเริ่มจับตัวรู้ได้เร็วขึ้ น, นเหมือนกับรู้สอนรู้อ่ะแล้วมันก็จะพัฒนาไปเรืกก่อยเ่ว่ามันจะลงตัวเคลืนนี้ก็พูดไม่ได้เอาเตียนตัวนะเจะอยืนละเอาให้มันตื่นให้ได้สำหรับรใครที่ง่วงซึมอยู่นั่นน่ะมันตื่นให้มันได้เราจะออกไปพร้อมกับง่วงซึมอย่างนี้ไลย ต้องทาให้มันตื่นตัวก่อนที่เราจะเลิกถ้ามันตื่นมันจะรู้สึกสดชื่นถ้าันง่วงซึมมาไปมันถึงอนงอยถ้าเราออกไปแล้วไม่สดชื่นตรงใหนมันตื่นซะก่อนเห็นตัวเองซะก่อนรู้ตัวรู้หลอบซะก่อนอแล้วก็ให้สอนตัวเองนะ อะไรที่จะย้ํากับตัวเองที่จะจะตั้งปณิธานให้แน่วแนว่าเราจะตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของโมเดเจ้าหรือป่าถนาพ้นทุกต้องย้ําอยู่เรื่อยให้มันเป็นมิสยัยปัจจัยของเราเลยเรียกว่าไม่ว่ามันจะเกิดชาติไหนพบไหนภูมิไหนก็นตามให้มันอยู่ในใจเราเลยยังไงว่าเราได้สร้างมันเอาไว้แล้ว ความปรารถนาอันนี้ย้ำบ่อยๆให้กำลังมันพอเลยแล้วก็ที่บุญนะที่บุญเองละเอาวันนี้พอแค่นี้นะ